สี่ล้านสี่ล้านกแสนห้าหมเซ็นสัญญากันนะคงจะลงมือในเร็ววันไม่กี่เดือนก็คงจะเสร็จเพราะโรงเรียนอำเภอนาโสมโรงเรียนบ้านหัวช้างนะนักเรียนหลายร้อยคนยแต่โรงเรียนเก่าแก่สร้างมาทั้งสามมาทั้งสี่หปีเป็นอาคารไม้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 หลวงพ่อลงมาค่าวในวัดทามาประโยชน์ทําประโยชน์ตนแลประโยชน์ท่านจริงๆนะคณะทาญาทโยมลูกหลานแต่วันนี้ก็กลับมาก็เห็นว่าว่างแลวก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้บอกให้คณะทาญาิโยมลูกหลานมาร่วมกันทาวัดสวดมนต์เย็นแต่ก็เห็นพี่น้องประชาชนก็มากพอสมควร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 สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนอีกเหมือนกันกลาง ป, ป, าปีปลายปิดปลายปีส่วนนัคนถเกงบจากนั้นเมื่อเรางบแล้วเราได้อะไรเราเมื่อเรางบแล้วก็ปีต่อไปปีห้าสบเก้า อ, อย่างวันนี้เมื่อเรางบปีห้าบแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วปีห้าิบเเราก็จะได้เป็นบทเรียนของเราเปีห้าสิบแด จุดนั้นเป็นจุดที่เราได้เราก็ควรจะส่งเสริมแต่จุดนั้นเราทำเสียหายไม่ควรจะทำอีกต่อไปปี59ควรจะกดควรจะไม่ไม่ควรจะทำในจุดนั้นนี่แหละถ้าเราได้ทบทวนดูแล้วเราจะมองเห็นเป็นบทเรียนของเราในการดำเนินชีวิต ต่อไปเราก็พยายามกระจัดขัดจัดสิ่งที่มันไม่ดีการคิดไม่ดีเราก็ขัดจัดออกไปกําจัดออกไปสิ่งที่การทำก็เหมือนกันที่ทำไม่ดีเรากําจัดออกไปถ้ามันเขาทำดีเรวก็ส่งเสริมจุดนั้นให้มากขึ้นการพูดก็เหมือนกันถ้าพูดมันทำให้เสียหายจะไม่พูดอีกต่อไปเมื่อเราพูดดีเราก็พยายามาพูด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 นานๆทีจะได้เข้ามาศึกษาเพราะภาระธุระของลูกหลานทํามาหาเลี้ยงชีพก็เต็มคืนอยู่แล้วแต่พวกเราถือว่าอเออพวกเราทํามาหาเลี้ยงชีพไม่มีเวลาแต่พูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่น่าจะถูกนะเพราะเหตุไรเพราะว่าการทํามาหาเลี้ยงชีพถึงจะมันขยันขนาดไหนก็เถอะหาเงินทักรัพย์สมดั่ เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็เถอะเพื่อมาเลี้ยงร่างกายของพวกเราเท่านั้นเองพอมาเลี้ยงร่างกายเาพื่อเลี้ยงร่างกายก่อนสุดร่างกายในถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมันก็ถึงจุดจบของมันแปดสิบเก้าสิบปีแล้วก็หมดสภาพแล้ว เ, เงินค้ำเงินคําทรัพย์สมบัติที่พวกหามาแทบพ้นแทบตายเอเพื่อมาม า, มาเลี้ยงชีพของเรา จากนั้นก็ให้เก็บไว้เพื่อให้ลูกให้หลานอีกลูกหลานก็เลี้ยงไปอีกต่อไปอีกผล ห, หมดอีกเพราะหมดหมดชีวิตนะเพราะมันแปดสิบเก้ปีก็หมดสภาพแล้วนี่นแหละคือเลี้ยงร่างกายมันเลี้ยงจบเพียงเท่านั้นถึงจะเสาะแสวงหาทรัพย์มามากโตมากขนาดไหนมาเลี้ยงร่างกายมันก็ถึงจุดจบมันเพียงเท่านั้น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 ผ้านุ่งหอมดีขนาดไหนก็เถอะยาแก้โกครคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนก็เถอะบ้านรู้หลาโออาขนาดไหนก็เถอะอยู่ไปอยู่ไปก็อนะถึงจุดจบของชีวิตจุดร่างกายของเรามันจบเพลินแต่ว่ามันไม่จบแต่เพียงแค่นั้นเพราะพระเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแลทัานว่ดนามธรรมาคือจิตใจนะตัวผู้รู้รอยู่เนะี่ตัวนั้นละ่ะมันไม่ตายมันไม่หมด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 อยู่ในโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกทุกดวงใจทุกทุกดวงวิญญาณด้วยเธอนในจิตใจอันนี้คือแผ่เมตตาแบบรวบลัดและกว้างขวางคืออยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันนี่คือเราแผ่เมตตาอย่างนี้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 แต่ท่านก็เลยให้ภาวนาพุทโธกําสสำทับหายใจเข้าพุทหายใจออกโตพโตพุทโถธโถ้ามันเผลอไปเอาเดิกลับขึ้นไหมก็มาหาพุทโธยิปถามันยังออกไปอยู่ให้พุทโธให้ถีเช่จันวาณ์นอครูบาอาจารย์ท่านว่าให้พุทโธให้ถี่ยิบเลยสำทับก็ตรงที่ตัวผูร้รูรร้อะไรตรงนั้นนะเอไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเลย เออเอาสำทับก่ตรงนั้นให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธเออไม่ให้มันเผลอไปทางอื่นให้พุทโธอยู่ในขณะนั้นอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดนี่แหละถ้าพวกเราท่านทั้งหลายทำได้อย่างนี้ต่อไปจิตจะรวมนะจือจิตจะไม่คิดไปทางอื่นดวงใจของเราความรู้สึกนึกคิดของเรา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 มันเชื่อมั่นในตัวเองร้อยเปอเซ็นไม่ได้สงสัยเลยเนีย่คือจิตสงบมันมันมันรู้ได้นะณะกนักธารมญาจุลนะแต่รู้ได้กระทั่งว่าเออที่พระพุทธเจ้าก็ดีพ่อแม่คุณบาอาจารย์ที่ธรรมะตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญข้าพเจ้ามั่นใจเกินร้อยเลยร่างกายนี่ยแตกตายสลายเพราะมันเป็นธาตุสีมันเป็นดินกระดูกก็คือธาตุดิน